เวลานี้เรามาประชุมร้อมเพียงกันในศาลาการประเรียนนี้ความมุ่งหมายก็เพื่อที่จะมาฝึกตนคำว่าตนในที่นี้หมายเอาทางทางกายด้วยทางจิตใจด้วยฝึกกาย ก็มเมื่อเื่อมาเห็นมันเห็นแก่ลับแ่นอนเกินประมาณล้วก็นั่งให้ตรงแสดงอาการกล้าหาญเข้มแข็งไม่ให้กายมันอ่อนแออันนี้เรียกว่าฝึกกายฝึก ใจก็ตั้งสติสํารวมจิตใจให้แน่วแน่อย่าคิดส่งออกไปข้างนอกเพราะจิตที่มันสงบไม่ได้กับเรืมาแต่มันคิดสงสายไปหาอารมณ์ต่างๆภายนอกนั้นแหละมันถึงจะสงบตรงไม่ได้ที่จิตใจมันสงบตรงได้นั้น าะพ่อไม่ได้คิดส่งออกไปข้างนอกมีสติสำรวมอยู่ภายในการสำรวมจิตให้อยู่ภายในนี่นะสำคัญมากให้พากันเข้าใจเพราะว่าจิตนี่มันเคยท่องเที่ยวมาในสงสารอันนี้มากต่อมากแล้ว นั่นเที่ยวไปเกาะสิ่งโน้นไปค้องสิ่งนี้นับชาติไม่ทวนทีเดียวอ่ะให้พากันคิดทบทวนดูให้ดีแล้วจนฝานนี่มันก็ยังพ้นทุกข์ไปไม่ได้แถมยังมีทุกข์อีกซ้ำถ้าว่าไม่ได้มาฝึกฝนทนอย่างว่านี่นะ จิตนี้มันก็ตกเป็นทาาแห่งตัญหาตัญหามันก็สุดคล้าไปหาเงินหาทองทำการทำงานคนไม่มีความรู้ก็เปเป็นกรรมกรรับจ้างแบกแบกหามหามหลังสู่ฟ้าหน้าสูดิน หาความสุขสบายอะไรไม่ได้เลยคนที่มีความรู้หน่อยก็ได้ไปเป็นข้าราชการงานเมืองเป็นครูบ้างเป็นนายอำเภอบ้างเป็นเสมียนกลาบ้างเป็นพนักงานแผนกต่างๆบ้างผู้มีความรู้สูงกว่านั้นก็เป็นผู้ว่าราชการ ต่างๆเหล่านี้เป็นต้น <c oughs> ขึ้นชื่อว่าการวางงานในโลกนี้แล้วอันซึ่งมันจะไม่ยากนะไม่มีซึ่งจะไม่ลำบากนะไม่มีการทำการทำงานพอเหตุว่ามันทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงไม่ยังยืนจะอะไรมันมาได้ง่าย ทำอะไรจะให้มันง่ายๆไปได้เพราะมันไม่เที่ยงส่วนงานในทางธรรมนี่มันมีทางจบลงได้ไม่เหมือนงานทางโลกงานทางโลกจบไม่ได้เลยงานทางธรรมนี่ถ้าเราเมื่อทำใจให้สงบลงไปแล้วมันก็จบลงมไม่อยากได้อะไรแล้วมันก็จบเท่านั้นแหละโลกอันนี้นะ ที่มันจบลงไม่ได้ก็เพราะมันมีความอยากอยู่ในใจวิตกวิจาร์อยู่ถึงสิ่งที่ตนต้องการปรารถนานั่นแหละนั่นแหละมันจึงว่าจบลงไม่ได้เลยถ้ามัน จ, จบลงได้ก็เพราะเราพิจารณาเห็นว่า <c oughs> ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี่ มันไม่เป็นสิ่งที่ควรจะยึดถือเพราะมันไม่เที่ยงถึงยึดถือไว้เวลามันแปรปรวนไปก็เป็นทุกข์เปล่าๆไม่มีความสุขแม้แต่น้อยเดียวก็เป็นอยู่อย่างนี้โลกนี้เราเกิดมาชาตินี้มาพบพระพุทธศาสนาแล้ว พุทธศาสนาชี้ให้สอนตัวเองให้เห็นความไม่เที่ยงของสังขารธรรมทั้งหลายตนก็ไม่พิจารณาเธอมั่นอยู่ตั้งแต่เขาแต่เราแต่ตัวแต่ ต, ต, ตนนั่นแหลเมื่อเป็นเช่นนี้มันก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้มันก็จะต้องเป็นทุกข์ซ้ำซ้ำซากซากไปไม่รู้จบรู้สิ้นแหละในโลกอันนี้ เพราะว่าจิต ด, ดวงเดียวนี้นี้ไม่ใช่หลายดวงอ่ะเมื่อปัจจุบันนี้มันเศร้ามองอยู่ด้วยสิ่งใดไปเบื้องหน้ามันก็เศร้ามองอยู่เช่นเดียวกันนั่นแหละมันจะเปลี่ยนแปลงเป็นผ่องใสไม่ได้เลยเช่นอย่างเวลาคนจวนจะตายเนี่ยใจไปเที่ยวเกวาะเที่ยวข้องสิ่งน้นสิ่งนี้เสียใจอะไร คิดถึงสิ่งที่ตนรักตนชอบใจแล้วก็จะมาพลัดพรากจากไปอย่างนี้นะคิดมาเท่าไหร่ก็กลุ้มใจไปเท่านั้นอย่างนี้นะมันถึงพ้นทุกข์ไปไม่ได้นั่นแหละผู้จะพ้นทุกข์ไปได้ก็เพราะมาฝึ ก, กจิตใจอันนี้อย่าให้มันเกาะมันคล้องจะเป็นสิ่งที่น่ารักก็ตามเป็นสิ่งที่น่าชังก็ตาม จะซ่อนใจฟางเลื่อยไปทั้งนั้นแหละเพราะมันเป็นของไม่เที่ยงไม่ยังยืนมีเกิดขึ้นแล้วก็มีแปรปวนแตกดับไปสิ่งที่มีวิญญาณคลองก็ดีไม่มีวิญญาณคลองก็ดีก็มีสภาพเหมือนกันหมดเลยแหละไม่แตกต่างกันดังนั้นท่านจึงเรียกว่าสามัญยรักษณะ แปลว่าลักษณะเสมอกันแห่งทั้งขานทั้งพวงจารณาตรลักษณ์ญาณ น, นี้ให้เห็นแจ่มแจ้งขึ้นในใจและชนีมันก็สามารถที่จะปล่อยจะวางโลกอันนี้ได้ทั้งภายในทั้งภายนอกทั้งงาบทั้งละเอียดทั้งประณีตบรรจงอะไรก็ตามเนี่ยมันก็อยู่ในลักษณะสามนี้ทั้งนั้นเลย เมื่อมันเห็นแจ้งด้วยปัญญาแล้วมันก็จะไปยึดถือไว้ทำไมล่ะเพราะว่าขืนยึดถือไว้มันก็ไม่ได้อะไรยึดถือให้เป็นทุกข์เปล่าๆปัญญามันก็ต้องสอนใจเข้าไปอย่างนี้คนผู้ฝึกตนนะ่ะผู้ไม่ฝึกตนแล้วก็มีแต่รักท่าเดียวมีแต่ชังไปหน้าเดียวไม่ได้ทวนกระแสกลับเข้ามา พิจารณาความจริงสิ่งที่ตนรักตนชังนั้นเลย <c oughs> มีแต่คว้าเอามาเลยแหละแต่ตนชอบใจสิ่งใดแล้วก็เข้าใจว่าสิ่งนั้นหละจะอำนวยความสุขให้แก่ตนได้แต่แทนที่มันจะอานวยความสุขให้มันกลับอำนวยความทุกข์ให้ซ้าอย่างผู้ครองเรือนอย่างนี้แหละ ทีแรกคิดในใจว่าเมื่อความรักมันมีอย่างเนี้ยเมื่อได้สิ่งที่ตนรักนั้นมาแล้วตนก็จะมีความสุขความสบายอย่างนี้ก็จึงหาลูกหาเมียกันเมื่อได้มาแล้วมันไม่ใช่เป็นความสุขซะแล้วเพราะว่าสมสู่อยู่ด้วยกันต้องมีลูกมีเต้าออกมา ต้องหาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้ากั น, นอดละเวงไปเลยมีหลายคนมาเท่าไรก็ยิ่งการงานยิ่งมากขึ้นเงินไม่พอใช้ก็เป็นทุกข์เดือดร้อนน้นำมีซ้าบางลายเลี้ยงลูกไม่ทันใหญ่ตัวเองก็เจ็บป่วยลงรักษาอย่างไรก็ไม่หาย ตายจากลูกจากเมียไยผู้หญิงก็ตายจากลูกจากผัวไปตายไปด้วยความอะไรด้วยความเศร้าโศกบางนายก็เกิดโรคภัย อ, อดอดแอดแออยู่ในร่างกายจะหายก็ไม่หายจะตายก็ไม่ตายเลี้ยงลูกเลี้ยงเมี ย, ยไปก็ไม่ตลอดรอดฟัง หาลูกเมียให้เป็นทุกข์เดือดรน้อนทุกขเพราะไม่มีปัจจัยสี่นี่แหละเครื่องอาศัยไม่มีกำลังจะหาได้อันบนี้มันปรากฏมาในโลกแล้วมนุษย์เราผู้ครองเรือนทั้งหลายควรที่จะเบื่อจะนายไม่ควรที่จะหมกมุ่นอยู่ด้วยส่วนเดียว เมื่อเบอนายแล้วมันก็ต้องหาทางถอนตัวออกไปจากโลกนี้แหละจะครองเรือนอยู่ก็ตามการเข้าวัดการฟังธรรมการสมทานรักษาอุโบสถสินชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งมอนีล้วนแต่เป็นอุบายถอนตนออกจากโลกนี้ของผู้ครองเรือนทั้งนั้นแหละมีได้หมายว่าต้องไปบวชกันทุกคนหรอก เพียงแต่เอาใจใส่กับวัตวาศาสนาทนุบำรุงพระภิกษุสามเณรผู้กระ พ, พิตพรมจันด้วยดีผู้เสวงหาทางพ้นทุกโดยชอบเราผู้เป็นผู้ครองเรือนเรียกว่าศาสนูประถามพกยกย่องพระพุทธศาสนา คือว่ายกย่องผู้ปฏิบัติดีผู้ปฏิบัติชอบต่อธรรมวินัยนี้ไม่อุดหนุนไม่ยกย่องคนที่ไม่ประพฤติชอบต่อธรรมวินัยนี้ก็เขินไปสนับสนุนคนที่มีความเห็นผิด อ, อนไม่เคารพต่อธรรมวินัยแล้วมันก็ยิ่งจะทําให้ศาสนาเสื่อมไปเรื่อยๆ อารัชีคนไม่มียังอายก็จะเต็มบ้านเต็มเมืองเพราะว่าบวชมาแล้วถึงจะประพชตามธรรมวินยัยหรือไม่บติก็มีผู้เลี้ยงดูผู้เสือ่อยู่อย่างนี้นะคนเกียดครัานทำการงานในโลกมันก็หลังกันมาบวชหมดแล้วนั่นเนี่ยก็มาทำลายศาสนาของพระพุทธเจ้าให้เสื่อมไป ความจริงนะพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทำความเลื่อมใสยินดีในพระสงฆ์นั่นหมายเอาพระสงฆ์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงต่อทำต่อวินัยจริงๆอย่างนั้นพระองค์ไม่ได้ทรงสอนให้นับถือพระสงฆ์ทั่วๆไปเพราะว่าพระสงฆ์ในภายหลังนี้ ยังเป็นปุถุชนมีกิเลสตัณหาหนาแน่นอยู่ในใจไม่มีความเพียรพยายามที่จะชำระกิเลสตัณหาให้เบาบางออกไปจากจิตใจมีแต่สมชื่อว่าบวชเอาผ้าเหลืองมาโน ม, มาหมแล้วกับปฏิญญาอนถึงพระพุทธธรรมประสงค์ว่าเป็นที่พึ่งที่ลึกอันประเสริฐ ก็เป็นอุปนิสัยปัจใจติดตัวไปเท่านั้นเองซึ่งจะศึกษาธรรมวินัยให้เข้าใจโดยเข็มแจ้งในแนวทางปฏิบัติแล้วลงมือประพฤติปฏิบัติตามอย่างนี้เนะี่ยมีน้อยเต็มทีเพราะฉะนั้นแหละพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสว่า ก่อนที่จะให้ทานนั้นต้องเลือกให้เสียก่อนเพราะพระเาคตเจ้าทรงสรรเสริญนังนี้พระ อ, องค์ก็ทรงพระเมตตากรุณาต่อพุทธบริษัททั้งหลายอยากจะให้ได้บุญได้กุศลมากๆก็จึงได้ทรงแนะนำสั่งสอนให้เลือกทำบุญถวายทานแด่ท่านผู้ทรงศีลทรงธรรม ไม่ว่าคเรหัสไม่ว่านักบวชเป็นคเรหัสก็ตามถ้าเป็นผู้มีศีลมีธรรมอันดีงามผู้ที่เกิดมาในภายหลังก็ควรที่จะไหว้ควรจะบูชาได้เหมือนกันควรบริจาคทานได้ไม่ใช่ว่าบริจาคทานให้ตั้งแต่เพศบรรพชิตเท่านี้ก็หาไมีได้ เหตุบรรพชิตถ้าทำไม่ดีแล้วก็อย่างว่านั้นแหละก็ไม่น่าส่งเสริมถ้าสมาณะทั้งหลายผู้เหลวไหลผู้ประมาทต่อธรรมวินยัยมองเห็นว่าทายกทายิกาไม่สนับสนุนแล้วตื่นตัวกลับประพฤติทธรรมวินัยให้ดีขึ้นไม่ประมาท พยายามฝึกตนทรรมนทรมานตนเข้าไปเช่นนี้เนะ่ยทายกทายิกาเห็นเขา้าเขาก็จะมามีกลับมีความเลื่อมใสให้ความสนับสนุนขึ้นมาอีกคนเราไม่ใช่ว่าจะไปชั่วไปตลอดชีวิตก็หามีได้แล้วก็ไม่ใช่ว่าจะดีไปตลอดทั้งหมดเลยก็หามีได้ มันขึ้นอยู่กับจิตใจของคนเราแต่ละคนน่ะอันใจบุทรชนนี่มันกลับกรอกได้เหมือนกันเมื่อมันกลับกรอกไปในทางชั่วมันก็ทำชั่วพูดชั่วไปอย่างนี้แหละยัตเมื่อมันรู้ตัวเห็นว่าตนกำลังหลงไปทำชั่วพูดชั่วอยู่อย่างนี้แหละ อธิษฐานใจกลับตัวมาทำความดีพูดดีคิดดีมีความภาคเพียรพยายามไม่ท้อไม่ถอยก็จะกลายเป็นกัลยาณชนไปทีแรกก็ท่านเรียกว่าผู้ทุชนแปลว่าผู้หนาไปด้วยกิเลสตัณหาบาปประรรมผู้ไม่เพียรพยายามละกิเลสตัณหาภายในจิตใจตัวเอง สะสมให้มันมากขึ้นมากขึ้นจึงได้นามว่าผุ้ทุชนนั่นฟังเอาสิว่าเดี๋ยวนี้ตนเป็นผุ้ทุชนหรือว่าเป็นกัลยาณชนอยู่ทุกคนต้องพิสูจน์ตัวเองจะไปคนอื่นพิสูจน์แตอย่างเดียวไม่สมควรเราแหละต้องพิสูจน์ตัวเองมิฉะนั้นก็ จะปรับปรุงตนเองให้เจริญก้าวหน้าไปไม่ได้ถ้าใครวิวนิจฉัยตัวเองไม่ได้อ่ะการวินิจฉัยตัวเองนี่แหละสําคัญไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะเพราะการละกิเลสบาประธรรมนี่ไม่มีใครละให้ใครได้ต่างคนต่างละเอาทีนี้เมื่อไม่เห็นตัวมันจะไปละมันได้อย่างไะนี่ เปเงินต้องต้องสังเกตต้องดูจิตใจตัวเองเสมอเมื่อจิตใจตนมันฝกักฝวไปทางกิเลสมากอย่างนี้นะท่านก็เรียกว่าเป็นปุถุชนแลอะอาจิตใจนี่เห็นโทษแห่งกิเลสอันหยาบช้าลาโมกเหล่านั้นจริงเมือ่อนายจริงตนที่จะทนทุกข์ทรมานอยู่ในโลกนี้ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันน่ะ ก็เพราะว่าตกเป็นธาตุของกิเลสอันหยาบช้าลามกเหล่านั้นเองคือความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาพยาบาทมานะความถือเนื้อถือตัวว่าตนวิเศษกว่าผู้อื่นทิฏฐิถือมั่นในความเห็นผิดของตอนว่าเป็นความเห็นถูกมันถือมั่นในกิเลสทั้งหลายเหล่านี้ไว เพราะฉะนั้นแหละมันจึงได้รับทุกทนทรมานมาในสงสารผู้ใดมาพิจารณาเห็นโทษกิเลสดังกล่าวมานี่แล้วผู้นั้นก็จะไม่นิ่งนอนใจเลยแบบนี้นะจะต้องเพียรพยายามละกิเลสเหล่านี้ให้เบาบางออกไปเรื่อยๆแหละเพราะว่าใจไม่ชอบมันแล้วมันตั้งอยู่ไม่ได้หรอกกิเลสเนี่ยกิเลสมันตั้งอยู่ได้เพราะใจชอบมันเดียวนี่นะ ที่ดูให้มันเห็นเมื่อชอบความรักมันก็สะสมความรักให้หนาแน่นขึ้นใน จ, ใจิตใจเป็นอย่างนั้นเมื่อมันชอบความเกลียดชังมันก็แสหาจะเรื่องน่าเกลียดหน้าชังนั่นแหละไอ้ตนเองไม่ได้ได้พิจารณาตัวเองว่าตนยังชั่วอยู่ก็ไม่รู้ว่าตนชั่วบางคนน่ะ เรไปแสหาแต่มองแต่คนอื่นว่าแต่คนอื่นเขาไม่ดีสำคัญว่าตนดีฝ่ายเดียวอันอย่างนี้มันมีมันเป็นอุปกิเลศอย่างหนาไม่ใช่อย่างบางนะแบบนี้นะอันนี้แหละที่ท่านกล่าวว่าเป็นผู้ถือมั่นในทิฏฐิคือความเห็นนะ่ะใครจะตากเตือนก็ไม่เอาด้วยไม่ฟัง อย่างนี้แหละชอบแต่ไปเพ่งเล็งดูแต่คนอื่นนั่นแหละเมื่อเห็นคนอื่นเขาผิดพลาดแล้วหน่อยหนึ่งก็เอาแหละจับผิดเขาทันทีและส่วนตนทาผิดอยู่ไม่รู้ตัวไม่หาทางสำรวมตนต่อไปแล้วก็ไม่มีใครกล้าทักท้วงสีเตียนเพราะถ้ามีใครทักท้วงเอากโกรธอย่างนี้นะ คนถือมันในทิศมัไปทํานองนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ายังสอนให้ละละความคิดความเห็นต่างๆให้หมดและวันนี้ให้ให้มันเกิดความเห็นจริงความรู้จริงขึ้นมาแทนความเห็นความรู้อันใดไม่จริงไม่แน่นอนแล้วสละทิ้งให้มันหมดเลยซะก่อนให้ใจมันรวมลง ใ ห, ให้ความเห็นผิดความอารมณ์ผิดๆต่างๆเหล่านะั้นมันดับไปหมดนี่แหละคำว่าเจริญภาวนาเจริญสมาธินะทำไว่าสละความคิดความเห็นอันไม่เป็นศีลไม่เป็นธรรมอันมันก่อกวนจิตใจฟุ้งซ่านเดือดร้อนนี่น ะ, ะเราต้องมากำหนดละมันให้มันหมดนี่เป็นอย่างนั้น ก็จึงเรียกว่าเป็นผู้ไม่ถือมั่นในสิ่งผิดๆต่างๆเมื่อจิตใจมันสงบระ ง, งับจากกิเลสอันหยาบชาต่างๆเหล่านั้นได้แล้วใจนี่มันก็ผ่องใสเบิกบานเมื่อใจเบิกบานแล้วปัญญามันก็เกิดขึ้นเป็นอย่างนี้แหละ ปัญญาในที่นี่หมายถึงปัญญาในทางธรรมนะปัญญารู้ความจริงของชีวิตละวบัดนี้นะเมื่อก็มองเห็นว่าชีวิตนี่เป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนประกอบไปด้วยทุกข์ทนได้ยากลำบากเพราะโรคภัยเบียดเบียนอัตภาพร่างกายนี่นะโรคประจำวันนะ มีทุกคนเลยอย่าไปลืมอย่าไปผ่านไปเสียโรคหิวข้าวโรคกระหายน้ำโรคอยากลับอยากนอนโรคปวดอุจจาระปัสสาวะนี่ทุกคนมีโรคประจําตัวอยู่อย่างนี้เหมือนกันหมดเลยอะอย่าไปเข้าใจว่าตนไม่มีโรคนะ ปวดอุจระถ้าไม่ได้ถ่ายก็เป็นทุกข์หรือไปถ่ายแล้วมันไม่ออกท้องผูกอย่างนี้นะอุจระแข็งอา้าวก็เป็นทุกข์ล้วเป็นนั่งเบ่งกันจนว่าพอแรงน ะ, ะมูนี่ลองคิดดูความทุกข์ในร่างกายสังขารอันนี้นะ กรเพราะมันไม่เที่ยงนั่นแนหะมันถึงเป็นอย่างนี้ <c oughs> อยากข้าวมาหิวมาไม่ได้รับประทานก็เป็นทุกข์ <c oughs> อยากกลับอยากนอนไม่ได้นอนก็เป็นทุกข์มูนี่อยากได้เงินได้ทองหาแล้วไม่ได้ก็เป็นทุกข์ <c oughs> ผู้ชายไปรักหญิงคนนั้นชอบใจอยากได้ ไปติดต่อวิสาสะให้คนเท่าคนแก่ไปสู่ขอเขาไม่เอาเขาไม่ชอบอตัวเองก็เป็นทุกข์นีนเนี่ยมันมีแต่เรื่องทุกข์ในส่วนมากในโลกอันนี้นะทำนาผลแรงไม่ได้ ข้าวเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็เป็นทุกข์เอาทำนาลงไปนาลุม่มฝนตกมากน้ำหลากมาท่วมข้าวตายก็เป็นทุกข์เป็นเจ้าเป็นนายไปทำผิดระเบียบของเจ้าของนายเอาถู ก, กคุบคับบัญชาตัดเงินเดือนทำหนิ้ตีเตียนเอาก็เป็นทุกข์ ทำงานไม่ก้าวหน้าเพราะตนประพติเลวไหลในหน้าหน้าที่ราชการนี่นี่นะเป็นพ่อค้าพาณิชย์ทำการค้าขายขาดทุนไม่มีกำไรก็เป็นทุกข์หรือว่าถูกกี้ถูกปล้นเอาเงินเอาทองไปก็เป็นทุกข์ ลองพันนาดูสิความผิดหวังในโลกอันนี้นะมันมากมายจริงๆนะมันล้วนแต่ทุกทั้งนั้นเลยอไอ้ตัญหานะ่มันกระชิบจิตใจของคนเราเนี่ยแม้ถ้าเราได้มีมาแล้วคนสวยสวงามอย่างนี้มาแล้วเราจะสุขใจเต็มที่เลยทีเดียวถ้าฝ่ายผู้หญิงก็ดีไปเจอชายที่ตนรักเข้า แมมถ้าเราได้ชายคนนี้มาเป็นสามีนี่แหมเราจะมีความสุขใจมากคิดเข้าไปใส่กุ่มใจล่ะแสวงหากันไปอา้าวถ้าไม่ได้รูปสิ่งที่ตนชอบใจนั่นกะเอาแล้วทีนี้เดือดร้อนแล้วบางลายก็ถึงกับฆ่าตัวตายเลยวอเดีเยวมันผิดหวังอย่างใหญ่โต คนพูดถึงกับฆ่าตัวตายนะ่มันเป็นท่าแห่งความรักเอาจริงๆน่าเสียดายร่างกายอันนี้พ่อแม่เลี้ยงมาแสนทุกแสนยากะเรินไว้ใหญ่โตมาแล้วก็มาตกเป็นท่าแห่งความรักถึงกับทำลายมรดกอัน้ํำค่าของมารดาบิดาอันนี้ให้ย่อยยับไปก่อนการเวลาที่ควรจะตาย อ่ก็ร่างกายอันนี้นะมันก็เป็นมรดกของมารดาบิดาเลยอันล้าค่าหาค่ามีได้เลยเราจะไปหาที่ไหนล่ะมันก็มีแต่ร่างกายอันเดียวนี้จะเอาอื่นมาแทนไม่ได้เลยเนี่ยคนเรามันมันไม่หวนมันไม่ทวนกระแสจิตเข้ามาดูอัตภาพร่างกายนี้เพราะฉะนั้นแหละ จึงตกเป็นธาตุของกิเลสกุ้มใจแล้วก็ฆ่าตัวตายโดยแบบใดแบบหนึ่งก็แล้วแต่คิดได้แหละอันนี้นะพุทธบริษัททั้งหลายควรพากันระลึกไว้เสมอการฆ่าตัวตายนี่มันเป็นกรรมเป็นเวรก็เท่ากันและกับฆ่าผู้อื่นนั้นนะ่ะปาโนแปลว่าสัตว์มีชีวิตไอตัวเรานี่ยมันก็มีชีวิตสิ ไม่มียังไงละ่ะมีกายมีจิตมาครองอยู่เนี่ยปาณะสัญญิโตจิตคิดจะฆ่านี่นั่นแหละทำความเพียนเพื่อจะฆ่าสัตว์นั้นให้ตายแล้วสัตว์นั้นตายด้วยความเพียนนั้นสัตว์หมายถึงดวงจิตนี่เองแหละคำว่าสัตว์ตะวะแปลว่าผูกข้อง จิตคลองอยู่ในร่างกายอันนี้เนะนั่นต่ตนมาเกลียดชังกับร่างกายอันนี้นล้วอาเกลียรพยายามทำลายร่างกายนี้มันแตกดับย่อยยับไปมันก็เทอากับก ว, ว่าทำลายสัตว์คือดวงจิตผู้อาศัยอยู่ในร่างกายอันนี้มันก็เหมือนกันกับทำลายบุคคลอื่นและสัตว์อื่นก็เป็นกรรมเป็นเวรตอบสนองกันไปอยู่นั้นแหละ ก็เกิดไปชาติหน้าเอาถึงเวลากรรมนั้นมันจะให้ผลมาแล้วมันก็ไปมีเรื่องอะไรผิดหวังมาให้เกิดความกลุ้มใจจนไม่สามารถจะแก้ไขเรื่องนั้นให้ตกไปได้เลยนั่นแหละก็ไปขาดตัวตายอีกอยังไงถึงห้าร้อยชาตินั่นกรรมเวรนี้ถึงจะหมดลงเพราะฉะนั้นแหละ องสมเด็จพระพุทธยภาคเจ้าของเราก็จึงได้ทรงแสดงอภินาหะปัจเวกห้าประการไว้เพื่อให้พุทธบริษัทได้พิณาทุกวันทุกวันจนมันเกิดงานความรู้ขึ้นมาเจ่มแจ้งในใจนูน่นแล้วมันจะมีได้เศร้าโศกเสียใจพิไล่ลําเพราะว่าเมื่อเราทวนกระแสจิตเข้ามา ดูอัตภาพร่างกายนี้นะทุกวันทุกวันว่าร่างกายนี้มันสุดโทมค่ําคล้าไปเรื่อยๆไปแต่ว่ามันค่อยสุดโทมไปทีละน้อยละน้อยถ้าผู้ใดไม่ทวนกระแส จ, จิตเข้ามาสังเกตอยู่บ่อยๆนั้นแทบจะไม่รู้เลยว่ า, วาความแก่มันบีบคั้นหรือครอบงําร่างกายนี้อย่างไรอะ่ะไม่รู้เลยบางคนก็ แป้งแต่งตัวเข้าไปเอาอ น, นุนมาใส่อันนี้มาประดับเข้าไปอย่างนี้ปราโฏราสูยงามหรูหราไปเลยเปย็นยังนเพราะมันขาดการพิจนารณาคขีควรทุกวันทุกคืนไปถ้าถ้าทวนกระแสจิตเข้ามาดูอัตภาพร่างกายนี่จะเห็นว่าร่างกายนี่มีโรคภัยเบียดเบียนอยู่ ตลอดเวลามาเหมือนอย่างที่กล่าวมาเรียนั่นแหละโรคประจำร่างกายมันมีมาอยู่อย่างนั้นน ะ, ะส่วนโรคจอ น, นั้นมันก็เกิดขึ้นเป็นครั้งเป็นคราวเช่นเป็นหวัดเป็นไข้เป็นไออะไรมุมนี้น ะ, ะเจ็บหัวปวดท้องท้องเดินมุอนี้มัน มันเกิดขึ้นเป็นบางครั้งบางคราวเมื่อรับประทานยุกยาเข้าไปแล้วก็หายไปแต่โรคสีประการดังกล่าวมาแล้วนั่นนะแม่นจะรักษาเยียวยาอย่างไรอย่างไรมันก็ไม่หายอาหารอย่างนี้รับประทานถูกว่าทุกวนักว น, วนมันก็ยังหิวอยู่นั่นเลยเนี่ยองคิดดูนะ้ามีดื่มูม่ทุกวนันวันละกี่หลายหายครั้ง มันก็ยังหิวอยู่แล้วแหละนอนก็เหมือนกันนะนอนทุกคืนทุกคืนมันก็ยังไม่อิ่มเลยอ่ะ้าวคืนต่อไปหิวอีกแล้วอย่างนี้นะแล้วจะไม่ถือว่าเป็นโรคประจําร่างกายอย่างไรเล้วคิดดูให้ดีอย่างนี้แหละที่พระศ า, าสดาทรงสอนให้พิจารณาทุกวันทุกคืนน่นนะเพราะมันของมีจริงนะมีอยู่ในธาตุพางร่างกายนี้แล้ว แล้วในที่สุดรูปกายอันเนี้ยอาศัยบุญบาปที่ทำมาแต่ก่อนอุปธรมบารุงไวจึงเป็นอยู่ไปได้เมื่อหมดบุญหมดบาปอันนั้นลงไปแล้วเมื่อไรแล้วรูปกายนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้เลยต้องแตกทําลายลงนี่แต่เวลาที่มันยังไม่แตกทําลายจริงจังนี่ลมหายใจยังไม่หยุดนี่ ความจริงนะมันก็มันก็ตายอยู่แล้วแหละแต่เมื่อบุคคลได้ไม่ทวนกระแสเข้ามาเพ่งอยู่ภายในนี่หากไม่เห็นตนเองเกิดตายเกิดตายอยู่ไม่เคยเห็นหรอกถ้าหากว่าได้มาทวนกระแสจิตเข้ามามีสติสัมรวมจิตใจให้แน่วแน่อยู่ภายในนี่แล้วจะเห็นว่าชีวิตนี่เกิดตายเกิดตายหรือว่าเกิดดับ เกิดจับอยู่อย่างนั้นแหละเช่น <c oughs> อย่างว่าหายใจเข้าไปแล้วไม่ออกมาก็ตายแล้วนั่นอันที่มันมันไม่ตายเนี่ยเพราะมันหายใจเข้าไปแล้วมันหายใจออกมานั่นหายใจเข้าไปเรียกว่าเกิดหายใจออกมาตายเพราะลมหายใจมันหายออกไปนี่นั่นแหละอา้าวหายใจกลับเข้าไปอีกก็เกิดอีก อย่างนี้แลหละหายใจออกมาแล้วตายอความรู้สึกหรือคิดก็เหมือนกัน อ, อ้าวในขณะนี้คิดถึงเรื่องนี้เล็กน่อยเรื่องนี้ดับไปมันไปไปคิดเรื่องใหม่ขึ้นมาอีกอนั่นเรียกว่าการคิดเรื่องใหม่ขึ้นมานั่นเกิดจิตเกิดอ่ะนะ ไอ้ความคิดที่คิดมานั้นดับลงไปอันนั้นจิต ด, ดับความคิดนี่มันก็เกิดดับเกิดดับอยู่อย่างนั้นมันไม่มีอะไรที่จะไปตั้งยั่งยืนอยู่ได้เลยเนี่ยเรียกว่าอสันตติความสืบต่อเนี่ยบุคคลผู้ไม่ รู้จักสัน ต, ติอันนี้ก็นึกว่าตนยั่งยืนนะตนจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายง่ายความสัน ต, ติมันหมายถึงว่าความสืบต่อนะอาหารใหม่เรารับประทานเข้าไปนี่เนี่ย่ากเกิดรูปเกิดขึ้นรูปใหม่นะเอ้าอาหารเก่า ที่เป็นกากแล้วถ่ายเทออกไปอันนี้ก็เรียกว่ารูปเก่ามันดับไปอยู่อย่างนี้แหละแม่น้ำก็มันการดื่มเข้าไปเอาน้ำเก่าก็เป็นปัสสาวะเป็นเหงื่อเป็นใครไหลออกไปเอาน้ำใหม่เข้าไปหล่อเลี้ยงไว้แทนเรียวว่าเกิดถาดน้ำเกิดขึ้นอันใดเป็นเหงื่อเป็นไครไหลออกไปถ่านน้ำมันดับไป นถาดไฟก็เหมือนกันไฟนี่ถึงเวลาหน้าหนาวมาเอา้ามันก็แรงขึ้นทำให้กายนี้อบอุ่นอยู่ได้ถึงเวลาหน้าร้อนมาไฟนี่มันก็อ่อนลงถ้าหากว่ามันร้อนจัดไม่ไหวอพอแต่ให้กายนี้อบอุ่นอยู่ได้ เป็นเสียแต่เมื่ออากาศร้อนภายนอกมันมาสมสัมผัสเข้าเพิ่มกับความร้อนมีอยู่ต่เก่าวแล้วมันก็ทำให้ปรากฏว่าผิวหนังนี่ร้อนเผาไปนั่นเนี่ยเรียกว่าธาตุไฟภายนอกมามาสมทบกับธาตุไฟภายในทำให้ความร้อนแรงขึ้นเดี๋ยวพอไปอาบน้ำเข้าไปแล้วไอความร้อนนั้นดับไปเนี่ย พอสัมผัสกับอากาศร้อนภายนอกเข้าไปอาบความร้อนใหม่เกิดขึ้นมาอีกเมื่ออาบน้ำไปความร้อนเหล่านั้นเก่านั้นดับไปความร้อนใหม่เกิดขึ้นมาอีก เ, เราคิดดูสิถ่านไฟมันก็เกิดดับอยู่อย่างนี้แหละถ่านลมก็เหมือนกันลมขึ้ลมพัดขึ้นเบืองบนนี่ ก็คือลมหายใจออกไปนั่นแหละเป็นอย่างนั้นลมพัดลงเบื้องต่ำก็คือลมหายใจเข้าไปลมในท้องมันก็วนไปเวียนมาอยู่ในท้องเนี่ยลมประเภทเนี้ยลมในไส้นี่มันก็วนเวียนอยู่ในไส้นั่นแหละคนเราจะทายอุจาระประสัสสาวะออกไปอาศัยลม ในท่นี้แหละมันพัดเอามันดันออกไปถ้าหากว่าลมประเภทนี้มันอ่อนกำลังแล้วไม่มีกำลังเบ่งล้ะลมมานี่มันอ่อนแล้วอ้าวทองผูกแล้วถ่ายไม่ค่อยจะออกแล้วเป็นทุกอน่แหล ะ, ะนี่เรียวกว่าถ้าลมมันเกิดมันดับนะต้องคิดดูลมพัดไปตามตัวหมนี่ ถ้ามันแรงเกินไปก็เป็นลมแล้ววันนี้หน้ามืดตาลายาเดินไม่เหินไปไหนมาไหนไม่ได้มิจนอนหลับตาพิมพ์ดมยาแก้ลมอยู่งั้นแหละลมหายใจเข้าหายใจออกมอนี้มันก็ล้วนแต่มันเกิดมันดับอยู่ทางนั้นลมธาตุลมมูนี้ก็ดีไม่มีธาตุอันใดที่จะยั่งยืนอยู่ได้เลย ก็ต้องน้อมสติเข้ามาสัมรวมจิตใจให้แนวแน่แล้วมาเพ่งดูธาตุทั้งสี่อันอันรวมเข้าเรียกว่าร่างกายอันนี้นะดูให้มันถี่ท่วนมันจะเห็นเกิดตายเกิดตายเกิดดับเกิดดั บ, ดบอยู่อย่างนั้นเลยเมื่อเวลาบุญกรรมที่ทำมาแต่ชาติก่อนนั้นมันยังไม่หมดถึงแม้มันจะเกิดดับอยู่เนี่ย ส่นสันติมันก็ยังมีสืบต่อไปอยูอ่รับทานอาหารก็ยังมีรถอยู่อย่างนี้นะมันก็ถึงเป็นอยู่ไปได้นั่นแหละ <c oughs> นอนก็ยังหลับอยู่อย่างนี้และอุจจระปัสสวะก็ยังถ่ายเทคล่องอยู่ลมหายใจก็คล่องแค่วอยู่อย่างนี้ร้อนก็ไม่ร้อนมากเกินประมาณหนาวก็ไม่หนาวมากเกินประมาณพอทนได้ นี่าสาเหตุที่ร่างกายอันนี้มันจะอยู่ไปได้นั่นนะเพราะอาศัยบุญกรรมแต่เก่านั่นแหละมาช่วยอุปถรัรมภามลุงทีนี้พอหมดบุญหมดกรรมเก่านั้นลงไปเมื่อใดแล้วธาตุทั้งสี่นี้เลยแตกสามัคคีกันออกไปคดธาตุน้ำ ม, มันมากเกินไปมันก็ทำให้ทองร่วงไปอย่างนั้นแหละ ถ้าธาตุน้ํานี่มันน้อยเกินไปอย่างนี้นะมันก็ทําให้อน้ําลายก็แห้งผากไปนั่นน้ําลายนิ้วเป็นอย่างงั้นแหละแล้วร่างกายนี้ก็สู้ผอมอะเมื่อธาตุน้ํา ม, มันออกจากร่างกายนี้มากเช่นอย่างคนที่ท้องเดินเนี่ยถ้าปล่อยให้มันเดินมากๆเข้าไปก็สู้ซีดไปเลยอะ่ะทันทีร่างกายเนี่ย เป็นอางน <c oughs> ลองมองดู <c oughs> ในเมื่อบุญกรรมมันลอยหลอลงไปเท่าไดแล้วธาตุทั้งสี่นี่มันคอยจะจะแตกสามัคคีกันไปอยู่งั้นแหละธาตุลมก็คอยจะวิบัติแปรปวนไปบางทีก็มากเกินไปกับเป็นลมอย่างว่าลมเท่าลงไป <c oughs> ธาตุไฟเมื่อเวลามันบุญกรรมมันลอยหลงไปแล้วก็อย่างว่าบางข้าวเป็นไข้ตัวร้อนประลอดขึ้นไปทั้งเยอะแยอะอันนี้บางขราวธาตุไฟพัดอ่อนลงไปสู้กับความหนาวก็ไม่ได้เพราะหนาวมาสั่นมูนี้นะ <c oughs> เรียกว่าธาตุทั้งสี่นี่มันแตกสามคัคคีกันนะมันไม่สม่ำเสมอพูดง่ายๆมันเถอะนั่นแหละแสดงว่าบุญกรรมที่เราทํามาในชาติก่อนเนี่มันล่อยหลอลงไปแล้วไม่สามารถที่จะเยียวยารักษาอัตภาพร่างกายอันประกอบไปด้วยธาตุสี่ดินน้ําไฟลมนี่ให้ปรองดองกันอยู่ได้สม่ําเสมอนี่ทีนี้ ดวงจิตที่มาใสยอยู่ในสภาพร่างกายนี่นะถ้ามันไม่ได้พิจารณาให้เห็นตามสภาพความจริงของมันอย่างนี้อยู่เสมอเสมอแล้วเมื่อเวลาธาตุทั้งสี่นี่มันแตกสมครคีกันแล้วก็เป็นทุกข์ไงเลยแบบนี้ดวงจิตเนี่ย น, นั่นแหละสาเหตุที่คนเราจะดวงจิตนี่มันจะเป็นทุกข์เดือดร้อนนะเพราะมัวเมาประมาทมีแต่เพลินอยู่เอไม่นึกว่า ถาตุสี่นี่มันจะแตกสามัคคีกันเลยนึกว่ามันจะฟองรองสามัคคีกันอย่างนี้อยู่เรื่อยไปแล้วก็นิ่งนอนใจมีแต่เพลิดเพลินยินดีไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใครพอใจหมดนั่นนะเพลินอยู่งั้นผู้คลองเรือนก็เพลินไปหาลาบ อ, อยากแก่ร่ำรวยมีเงินมีทองมากๆเหมือนคนรวยทั้งหลายนั่นแหละอยากมีเกียรติยศชื่อเสียงอยากให้มีคนนำหน้าถือตาอยากให้มีคนยำเพลงพูดอะไรเป็นอย่างนั้นไปอยากให้คนเขาย่องยอสรรเสริญว่าตนดีตนเด่น อยากมีความสุขกายสบายใจไม่อยากให้ร่างกายนี้ทรุดโทรมไปง่ายๆไม่อยากให้โรคภัยมาเบียดเบียนร่างกาย อ, อยากมีความสบายใจไม่อยากให้กิเลสตัณหามันแผดเผาแต่ตนเองหักไม่เพียนละตัณหามันก็ไม่เป็นไปดังใจหวัง เมื่อตนเองไม่เพียรละมันมันก็เผาใจให้เดือดร้อนอยู่อย่างนี้แหละเนี่ยลองลองพิจารณาดูสิมันเป็นอย่างนี้แหละอัตภาพร่างกายนี่มันเป็นมาด้วยเหตุด้วยปัจจัยเป็นอยู่ก็เพราะยังยังมีเหตุมีปัจจัยอยู่ทุดทรมแตกลับลงไปก็เพราะมันเหตุปัจจัยมันร้อยหลอลงไปโดยลําดับเมื่อมันหมด ขาดตอนลงไปงจริงๆชีวิตนี้ก็ขาดออกจากกันกายก็เน่าเปื่อยผุพังลงสู่พื้นดินนี้จิตใจก็ไปตามยถากรรมวันนี้นะตนยึดกรรมดีได้กรรมดีก็พาไปเกิดที่สุขสบายเมื่อตนยึดกรรมชั่วใส่ตัวไว้กรรมชั่วมันก็นุดคลา้าไปสู่อบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้น นี่เรียกว่าไปทำกรรมนะสุดแล้วแต่ตนยึดเอากรรมใดไว้กรรมนั้นก็พาไปก็เป็นอย่างนี้แหละก็ควรจะพากันพิจารณาให้รู้ให้เห็นเหตุปัจจัยของชีวิตนี่ตามเป็นจริงอย่างนี้เพราะความจริงก็มีอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงตัดสรู้แจ้ยยงแทงตลอดแล้ว ไม่ใช่ว่าอัตภาพร่างกายนี่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนบันดาลให้เกิดให้มีขึ้นตกแต่งให้เป็นไปไม่ใช่นะพระศาสดาไม่ได้สอนไว้เลยไม่ใช่ว่าจะมีเทวดาอินพรม้มภูมิริศมีเดชตนใดมาฟูงมาสร้างอัตภาพร่างกายอันนี้ให้เกิดเป็นคนมา หรือว่าเกิดเป็นสัตว์สิ่งใดชานมาเกิดเป็นต้นไม้ใบหญ้าเกิดเป็นหินเป็นน้ําเป็นไฟเป็นลมขึ้นมาไม่มีไม่มีพระผู้เป็นเจ้าผู้มีฤทธิ์มีเดชองค์ใดมาตกแต่งโลกอันนี้ให้เกิดขึ้นเป็นขึ้นเหมือนอย่างลัทธิหรือศาสนาบางศาสนาที่เขาเห็นกันนนน่ะที่เขามีความเห็นกันอย่างนี้มีอยู่ แต่ในพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นเลยพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าสัพเพสตากรรมมัสกากรรมทายาทากรรมยโยนิกรรมบันทุกรรมปฏรริสาธนาแปลว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนจะเป็นผู้รับผลของกรรมที่ตนกระทำนั้น เป็นผู้มีกรรมเป็นกรรเนิร์ดพาให้เกิดขึ้นมาหมายความว่ามีกรรมดีกรรมชั่วที่ตัวธรรมาติชาติก่อนนั่นแหละมันพามาเกิดเป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพันุพวกค้องติดตามมาหลีกจากกรรมไม่ได้เลยมาเกิดในโลกนี้ก็ดีไปเกิดในโลกหน้าก็ดีก็มีกรรมดีกรรมชั่วนี่แหละ เป็นพวกค้องติดตามเห่ห้อมล้อมไปเป็นอย่างนั้นกรรมปฏิสารนมีกรรมในพึ่งเป็นที่อาศัยนี่เมื่อผูใ้ใดได้ทำกรรมดีมาแต่ชาติก่อนกรรมดีมันก็มาตกแต่งความสุขความสำราญเบิกบานกายใจให้ได้อาศัยอย่างนี้แหละ มันก็บรรดาลให้เกิดมีปัจจัยทั้งสีนี่สมบูรณ์บริบูรณ์หรือว่าอาหารการบริโภคผ้านุ่งผ้าหม่มที่อยู่ที่อาศัยหยุกยากแก้โรคภัยไข้เจ็บเหล่านี้นะถ้าหากว่าบุญใครได้สั่งสมมาแต่ชาติก่อนมากมันก็จะมาโดนบรรดาลให้เจริญด้วยปัจจัยสี่นี้ไม่อดไม่อยากไม่ขาดไม่เค้นเป็น อ, อย่างนั้น ท่าตทชากรใครมัวมาประมาทเพิดเพินไปแต่ในกรรมคุณอย่างที่ว่านั่นแหละไม่คิดบำเพ็ญบุญกุศลไม่คิดประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจคิดทำแต่กรรมชั่วมากกวัวทำกรรมดีเมื่อเกิดมาชาตินี้กรรมดีกรรมชั่วมันก็เป็นพวกพล้องติดตามมาพามาเกิดในที่ทุกข์ที่ยากที่ลำบาก เช่นอย่างคนบุญน้อยนะพาไปเกิดในตระ ก, กูลขอทานอย่างนี้น ะ, ะนั่นแหละคนบุญน้อยอะ่ะบาปหลายอะ่ะแต่ถ้าคนบุญพอปันกลางเอาเาก็มาเกิดกับชาวนาชาวสวนกันอย่างนี้แหละเพราะคนพวกชาวนาชาวสวนนี่เป็นคนชั้นกลางนะไม่ใช่คนชั้นร่ำรวยหรอก น่นคนชั้นร่ำรวยอ่ะพวกพ่อค้าพานิทุ่นก็จนได้นามว่ามหาเศรษฐีนั่นเละมันรวยมากๆทำการค้าการขาย <c oughs> มีสติมีปัญญาผลิตสินค้าออกไปขายนา น, นานประการหมู่นี้นะมันก็รู้วนแต่คนมีบุญมากทั้งนั้นแหละมาเกิดในโลกนี้นะ <c oughs> เป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นแหละพระพุทธเจ้าจึงสัตว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นดีพึ่งที่อาศัยน่นเมื่อทนทํากรรมชั่วมาทนก็ได้อาศัยกรรมชั่วนั่นแหละเป็นอยู่ทนทุกข์ทรมานไปกับกรรมชั่วนัว้นแหละจะตายก็ไม่ตายมันจะหายไปก่อนก็ยังไม่หายเมื่อมันยังไม่หมดเขตของมัน่ะมันก็ให้ทนทุกข์ทรมานฟ้าอยู่นะั่นกรรมชั่วนะ นี่กรรมดีเนี่ยเมื่อมันมีมากแล้วมันก็อุปธรรมบำรุงชีวิตนี้ให้เจริญรุ่งเรืองด้วยย่าลาบยศสนเ ส, ส ร, ริญในความสุขกายสบายใจไปนานเหมือนอย่างบางยุคบางสมัยอย่างนี้แหละคนมีอายุยืนตั้งหมื่นปีสองหมืนปีหรือถึงแสนปีก็มีถึงอสงไขปีนันก็มีทั้งนี้มันก็ขึ้นอยู่กับบุญกรรมที่บุคคลพวนั้นทำมากมากนั่นเองแหละ คนนั้นแทบจะไม่ได้ทำบาปเลยแหละไม่มีบาปไปแทรกแซงร่างกายนี้ก็จึงค่อยอยู่ยั่งยืนเรื่อยไปหาความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีว่ายัางมีก็มีโรคประจำขันอย่างที่ว่านั่นแหละโรคหิวข้าวกระหายน้าโรคปวดอุจจาระปัสสาวะโรคหิวหลับผิวนอนอันนี้มีคนมีอายุยืนก็มีโรคอันนี้ประจำกาย แต่ว่าโรคกรรมโรคเวรอันเกิดจากบาปกรรมที่ผู้นั้นทํามาแต่ก่อนนั้นไม่มีถ้าโรคกรรมโรคเวรอย่างนั้นมีแล้วอายุไม่ยืนคนเรานะ่ะต้องตายต้องตายง่ายเป็นอย่างนั้นเมื่อหมดเขตของบุญของบาปนั้นแล้วร่างกายนี้ตั้งอยู่ไม่ได้มันก็แตกถลายลง แม้ว่าผู้จะมีอายุยืนไปถึงอสงไขยปีก็ไม่พ้นตายแหละก็ต้องตายอยู่ดีๆเนี่ยบุญหมดลงเมื่อไหร่ก็ตายลงเมื่อนั้นนีน่การเจริญวิปัสสนาปัญญานะเราต้องเพ่งพิจารณาค้นคว้าเหตุปัจจั ย, ย่งชีวิตเนี่ยให้มันเห็นตามความเป็นจริง อ, อย่างนี้นะเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วมันก็หายสงสัยไม่ใช่เหรือ คำที่ว่าของเราของเขานะัน่ะตัวเราตัวเขานะ่ะมีอยู่ที่ไหนล่ะ ว, วันนี้ยไม่มีนี่เมื่อเราเพ่งดูแลเอเมื่อเพ่งดูต้นตอยิงล่ะดวงกิจอันนี้นะ่ะมาอาศัยธาตุของมารดาธาตุของบิรดาผสมกันเข้าแล้วมีบุญบาปที่ตน ท, ทํามาแต่ก่อนมาตกแต่ง อ, อวัยวะร่างกายนี้ให้ เช่นตกแต่งตาตกแต่งหูตกแต่งจมกูกตกแต่งปากลิ้นฟันอะไรหมอนี้ให้นะตกแต่งอวัยวะร่างกายน้อยใหญ่เหล่านี้ให้นี่มันเป็นยางน้นบุญกรรมนี่นะมันมาตกแต่งให้นะถ้าบาปตกแต่งให้ มันก็มันก็ตกแต่งให้อย่างไม่ดีแหละอวัยวะร่างกายทุกส่วนเหล่านี้นะมันก็ขี้ร้ายขี้เละและวิบัติมาแต่กําเนิดเช่นตาบอดผูหนวกแขนด้วนขาโดนมาแต่กําเนิดอย่างนี้นะนีนะ่เรียกว่าบาปกรรมมันแต่งให้นะบุญกรรมแต่งให้ก็ครบถ้วนบริบูรณ์สวยสดงดงามผิวพรรณผุด่องวทวดทรงก็ดีออันนี้จบ เราเพ่งค้นมาแต่ต้นต่อของรูปกายอันนี้ดูสินั่นแหละเราจะโมเมเอว่าเป็นของเราได้อย่างไรอ่ะนี่ธาตของมันดากับธาตุของบิดาผสมกันต่างหากนะไม่ใช่ของเราอย่าไปถือว่าเป็นของเราปัญญาสอนจิตนี้เข้าไปอย่างนี้อะมันก็เมื่อจิตนี่มันรู้ชัด ตาตามเป็นจริงมีเหตุมีผลมาย่างอิงอย่างว่าเนี่ยมันก็คลายความยึดความถือออกไปเรื่อยๆแหละคลายความเห็นผิดคิดว่าเป็นตัวเป็นตเ น, ต เ, ป น, ต เ, ปนตเป็นเราเป็นเขานั่นะไปเรื่อยๆทีเดียวคลายออกไปเรื่อยนี่แม้ว่าผู้นั้นจะอยู่คลองเรือนก็ตามจะเป็นนักบวชก็ตามใครอยู่ที่ไหน บาเพ็ญภาวนาคน้นคว้าพีจาอยู่ในที่นั้นมันก็เห็นแจ้งตามเป็นจริงได้เลยเพราะมันของมีอยู่นี่นะไม่ใช่ไม่มีนี่สิ่งใดไม่มีพระพุทธเจ้าไม่สอนหรอกไม่สอนให้พีณาก็คงสอนให้พีณาสิ่งที่มันมีอยู่นี่นะแต่ว่าบางอย่างนั่นมันมันมันเห็นด้วยตามองดูด้วยตาหนังนี่เห็นได้ เช่นรูปกายทุกส่วนนี้นะสามารถมองด้วยตาหนังนี่เห็นได้แต่ว่าก็อย่างว่ามันก็มองเห็นได้แต่แต่ผิวนอกเนี่ยตาหนังนะแต่ในเข้าไปเนะี่ยมันมองไม่เห็นหรอกตาหนังนี่ต้องมองด้วยตาปัญญาดนั้นจึงค่อยเห็นเป็นอย่างนั้นไอ้นามธรรมคือดวงกิตอันนี้ก็ดีหรือว่า ความเสไวอารมณ์อันเป็นสุขเป็นทุกข์ความจาหมายความคิดความอ่านความรู้แจ้งในตาหูจมูกกลิน้นกายใจหมุนี่เรียกว่านามธรรมาอันนี้อันนี้ก็ต้องรู้ได้ด้วยสัมผัสรู้ได้ด้วยปัญญาอีกเหมือนกันแหละเพราะมันไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตนอะไรเลยเป็นอย่างนั้น ผู้ไดน้อมสติเข้ามาสํารวมใจเพ่งกรรมฐานจนใจสงบลงไปแน่วแน่ลงไปแล้วนะอะมันก็สุขมาสัมผัสระหว่างกายกับจิตนี้จิตก็รู้ว่าขณะนี้จิตเสวยอารมณ์เป็นสุขอยู่เมื่อร่างกายนี้มันวิบัติแปรเปลีนกระทบกระทั่งกับจิตนี้อย่างรุนแรงความรู้สึกของจิตก็รุนแรงขึ้น จิตก็เสวยอารมณ์อันปวนปั่นรุนแรงนั่นขึ้นท่านก็เรียกว่าทุกขเวทนาเรียกว่าจิตเสวยอารมณ์อันเป็นทุกข์อย่างนี้แหละเมื่อจิตกับกายสัมผัสกันเป็นปกติอยู่ไม่แรงเกินไปไม่เบาเกินไป <balcony> พอดีพอดีอันนี้ท่านก็เรียกว่าอุเบกขาเวทนาแปลว่าจิตเสวยอารมณ์อันไม่ดีไม่ชั่ว ไม่สุขไม่ทุกข์เป็นกลางกลางนี่นี่เราต้องใช้ปัญญาการรู้แจ้งในนามธรรมทำอันไม่มีรูปมีร่างซึ่งอาศัยอยู่ในรูปกายอันนี้น่ะต้องอาศัยปัญญาเพ่งดูจากสัมผัสนั่นแหละจากจิตกับกายสัมผัสกันน่ะจึงจะรู้ได้เป็นอย่างนั้น ฉะนั้นการรู้แจ้งในนามในรูปอันนี้นะต้องรู้ได้ด้วยปัญญาอันเกิดจากสมาธินั้นเมื่อมันรู้มันเห็นอยู่นี่บ่อยๆเข้าไปมันก็เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายทำไมถึงเบื่อเบื่อเพราะมันไม่เที่ยงนั่นเละมันแปรปูวนไปถ้าหากว่ามันเที่ยงแล้วก็มันก็ไม่เบื่อหน่ายเลยถ้ามันไม่เที่ยงแล้วศาสนาก็ไม่มี ผู้ที่จะมาสร้างบารมีปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ไม่มีก็เพราะเหตุว่าโลกคืออัตภาพร่างกายเนี่ยทั้งภายในทั้งภายนอกนี่มันไม่เที่ยงจิตวิญญาณที่มาอาศัยโลกอันนี้อยู่มันมันก็เป็นทุกข์ดินร้อนเดือดร้อนนี้แหละมันถึงได้มีผู้สร้างบารมีปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อได้จะมีปัญญาอันยอดเยี่ยมมารู้แจ้งโลกนี้ตามเป็นจริง แล้วก็มาแนะนําสั่งสอนให้ชาวโลกทั้งหลายที่หนาแน่นไปด้วยกิเลสตัณหาที่ปัญญาน้อยนี่ให้ให้ได้มีปัญญามากให้ฉเฉลียวฉลาดขึ้นมาสามารถมองเห็นโลกอันนี้ตามสาภาพความเป็นจริงดังกล่าวมานั้นแล้วก็สามารถที่จะปล่อยจะวางได้เลยบนี้นะเมื่อมันเห็นแจ้งโดยปัญญาแล้วมันเบื่อนาย เมื่อเบื่อหน่ายด้วยปัญญาแล้วมันปล่อยได้วางได้ถ้าเบื่อหน่ายตามสัญญาที่เฉยๆนะี่มันวางไม่ได้เรื่องมันนะวางไม่ได้เหมือนอย่างสามีภรรยาทะเลาะกันแล้วเบื่อหน่ายกายันแยกทางกันไปพอใจดีแล้ว่าคิดถึงกันพ็กลับมาดีกันอีกใออย่างนี้ท่านไม่ไม่จัดว่าเป็นความเบื่อหน่ายในที่นี่ ในที่นี้ต้องเบื่อหน่ายด้วยปัญญาถึงจะละความยึดมั่นถือมั่นในธาตุทั้งสี่ขันธ์ทั้งห้านี่เสียได้ปล่อยวางไว้ตามสาภาพความเป็นจริงนั้นแหละคือที่สุดแห่งทุกข์ดังแสดงมา